ทำแบบ น, นี้ก็ได้ในรูปแบบก็ได้นอกรูปแบบก็ได้มันมีใช่ว่าเกิดไปในรูปแบบนอกรูปแบบไม่ได้ก็ยังเปลี่ยนพิการเลี่ยงไม่ปกติที่แก้กินนะแต่นอกจากบางคนพอทําในรูปแบบไปทัานใจมากเกินไปเครียดเกินไปอะไรเรียว่าปัญหาที่กินมันต้เป็นรูปแบบนะเช่นเปเจอ ายา ว, ยาวเดินตามสวนอนหรือว่าทำ ง, งานบ้านนะมันก็เป็นรูปแบบการทำวลาเหมือนกันคือกิจกรรมหรือว่าวิถีใช้ชีวิตที่ในตารฝึด ใ, ใหม่นนะที่ใช้เพื่อในการให้เรามีสติได้ง่าคือการหรือว่าการทำเวลาที่ไม่ต้องใจ้ความคิดมากนะคือแค่เด็ดไม่ต้องคิดนะอย่างตอนนี้นเราแค่ยกมือ าทางต่างๆเออธรรมดาธรรมดาตัวนี้ยเรียกว่าให ม, มีวางความคิดไม่ต้องคิดแล้วว่าจะต้องทําอะไรวางพักความคิดไปอันนั้นอความคิดคือที่แทรกเข้ามาในหระหว่างปฏิบัให้ถือว่าเป็นตัวทักคิดท่องตัองใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราตั้งใจที่จะรู้งจุกกับการเคลื่อนไหวพอมีความคิดอื่นแทรกเข้ามาแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ตั้งใจจะทางแล้วมันแทรกเข้ามา เนะ่การทํายลื่แบบเด็๋ช่วยให้เราเห็นความแตนชัดแบบนี้นะง่ายๆคือเห mm hmm. มือนกับฉากหลังหนาการนะจอจอคอมพิวเตอร์นะมันะขาวร่วนนะถ้ามีมือมันแทรกอะไก็นะมันก็ติดปกติตออกมาละเพราะปกติมันต้องขาวอยู่เสมอแต่พอนะมีอันเดินแทรกต่อมาก็ อ า, อาการผิดปกติของมันก็เกิดขึ้นแล้วความรูษษษษ้สึกตัวที่เรากำลังสร้างอยู่เหมือนกันเราพยายาม ร, รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวรู้สึกกับกายพอมีความคิดแทรกเข้ามาแปลว่าเออไม่ตั้งใจก็วางมันไปแต่ไม่ใช่ว่าจะทําแบบห้ามมันไม่ได้ทําทแบบห้าม แต่เป็นธรรมชาติที่รู้เลยว่าโอ้มั น, นไม่สามารถจะห้ามได้ความคิดห้ามไม่ได้ทำได้แครู้ทันสุดก็คือทุกข์ทุกข์ก็คือทุกข์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรงข้ามกับความพุกก็คือความไม่ทุกข์สิ่งที่เราข้ามกับความทุกข์ไม่ใช่ความสุขจะนั่นคือตรงนี้ น, นะครับ ถ้าเราตังต้งเป้าหมายในชีวิตผิเนี่ยก็คือสมมติว่าเราตั้งใจหาความสุขเนี่ย้าสุดเราก็ไปฟ้าของความทุกเป็มเต็เพราะความสุขคือความหลบนะฮะอย่างเขียนว้อว่าเห็นสุขใช่ครับเห็นพุกเป็นสุขเห็นพุกเป็นสุขก็คืออย่างเดวันนี้ใช่ัมันต้อง พูดแบบว่าสร้างโห่ปากก็ถูกนะอย่างคนกินเหล้าสูบบุหรี่ใช่ไหมฮะอย่างนี้ตรงนั้นก็เราก็รู้ว่าทุกทุกก็ไม่ใช่แค่เกิดจากตัวเขาแต่ว่านั่นคือก็เกิดกับคนอื่นด้วยอนะี้แต่ว่าในขณะที่คนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ก็เราก็จะเห็นเขาเสพเสพเหล้าเสพ บ, บุหรีนะ่อย่างมีความสุนะั่ะใช่ไหมฮะอย่างนี้อะไรแต่ว่านั่นคืออันนี้ที่บอกว่า เป็นทุกเป็นศขมันเป็นทุเ็างเป็นกเป็นศอย่างเงี้ยช่ไมยะแล้วในทางพุทธการก็กันก็มีทางพระเจ้าประเสริฐที่กุศลใช่ะหมฮะก็มีพราะในเรื่สีเนี่ยมันเป็นลูศิษย์ของผู้เรียนเจ้าแล้วก็ปรกว่าพระเจ้าประเสริฐที่กุศลกถามาเไปหาพเเจ้าทาไมเพรเเจ้าสอนดีพเเจ้าสอนอะไร้เเจ้าสอนว่า เนี yeah, này, này, ng, ่ยแบบว่าความสุขเนี้ยอันตรายนะมัจะเป็นเศษที่ผสมก็ถามว่ามันอันตรายยังไงมันไม่ดียังไงบอกว่าเอ้ยเร็มีความสุขดีอยู่นี้อะไรเงี้ยก็พระเมรุสีก็เลยบอกว่าถ้าทักลูกทันไอร่าอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดก็ตามเวลาแต่ยังไงชฉยๆนะก็คือตรงนี้ก็มันเป็นบทสรุปของสิ่งที่เห็นง่ายๆแล้วก็เป็นควาิจริงสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความสุขท้านสุดมันก็จะเป็นความทุ่งอยู่ดี เพราะฉะนั้นนี่คือเปักสิ่งที่เรากำลังกาลังทกันอยู่ตรงนี้นี่คือทำยังไง น, นะคือถ้าเกิดว่าเรามีโจรอยูนะ่ในจจเนายว่าทำายังไงถึงชีวิตเราจะไม่ทุ่มเนี่ยเราจะหาทางถูก น, นะเจอนี่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าทำยังไงชีวิตเราถึงจะมีความสดเนย้วูหน่ทางมัแยกหมดเลยนะเจอนี่ฮะ ม, มันมันสรุปกันไม่ได้ เด็กเล็กเด็กน้อยคนตา่างคนต่างอยุต่างเพศต่างวัก็มีความสุขกับเรื่อตา่ตางๆต่างกันแต่ความไม่พูดพูดเนหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ไหมก็คือตัวอย่างนี้มาเราดูกันมีอะไรสนุกใจไหมฮะดีคาตอบคำถา ม, ม, า ม, ม, าม ท, ที่จริงๆแล้วอาจารย์ลดท่านใจจะให้ดูจะลงบทในประเด็นหนัหนังที่ผู้ถ่ายทำประสบการ เพิ่มเได้มาเังได้มาใหม่ๆนะฮะแล้วก็เขาก็ฉาบสลับกันไปสลับกันมาก็เลยอาจจะทาให้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เปิดปนกันเอเป็นไครับเป็นยังไงบ้างดูแลเป็นยังไงบ้างคงปฏิบัติใหม่ๆเป็นยไงบ้างครับ เป็นยังไงบ้างปฏิบัติมาตึ้นเช้ากอนด้านเนี้ยกอนด้านไม่รังไม่รังเราต้องตารดูอนที่มันสนุกสนุกแล้วเราหัวเราะเรารู้สึกว่าความสนุกหรือว่าการหัวราะการเติมไปกับเขานี่เป็นใช่ความจริง แนะค่แเดียวนะฮะเกิดขึ้นแค่เดียวนะพอเปลี่ยนเรื่องก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนแค่เพื่อเปลียอารมณ์อย่นี้ยครับเวลาคนหาควาสุขพยายามหาแต่ที่มันเป็นความรู้สึกว่าพอใจแค่เดียว น, นะฮแต่ความพอใจแบบนี้ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปก็เลยต้องแสดง ติดไปเรื่อยๆมันเมื่ีที่อนพูดตอนก่อนที่ดูนะครับความพอใจเช่กคบสนุกับจิตมันเป็นคนคนละอันหรือว่เป็นอเดียวกันคนละอันเนียถ้าเราเห็นอี่จริงความพอใจเมื่อกี้นันก็เนี่จิตจริงๆนะ แต่บที่เราพยายามที่จะยับความไม่พอใจในตัวจิตตลอดไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะหรือไม่แต่ความไม่พอใจความไม่พอใจรู้สึกแบบไหนแต่การเกิดขึ้นจริงเราลืมสองสองพระเจ้าที่บอกว่าสิ่งใดจิงหนึ่งการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นตั้งรวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเราลืมแล้นที่จริงก็สิ่งก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะแต่ตอนเราทุกข์ใจเนี่ย ทำไมไม่ตักดสติแต่เราจะคิดแบบนี้ทำไมไม่หายทุกทีทำไมมันทุกอยู่นแบบนี้ตลอดไปแต่จริงถ้าเราแค่ดูมันดีเสียงมันก็เปลี่ยนแต่ที่จริงเราเลยทำอะไรสร้างมีของความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นไป่ซ้อนเหมือนเช่นอ๋อไม่คอใจในความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ไปเรื่อย เป็นสิ่งเดียวกันนะอาจารบรพัฒ์แต่ยังไม่ปฏิบัติแบบหลวงพเทียนนะเห็นตืกับหลงพ่อกล้วยที่ที่คอนแทคก็เหตุในสิ่งท่าสาลนะอันนี้สภาวธรรมเทียนไม่รู้นะแต่ความพูดก็เป็นสภาวธรเดียวกันเห็นกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งใ น, นตายหลวงพ่อเทียน คนที่ปฏิบัติแล้วก็เข้าใจถ้า แ, แยกรูปแยกนาม ไ, ได้เป็นอาการแบบนี้เลแบบยนะกายส่วนจิตอยู่ส่วนหนึ่งความคิดที่จอนเข้ามากับจิตช่วคทางเป็นแค่ส่วนจะเห็นเราบุญชัว่ามันแค่เป็นของชั่วคราวแต่ถ้าเราเรียนไม่สามารถแยกสภาวะของรูปของนามได้เราจะปนกันระหว่างความคิดกับจิตคิดว่าความคิดคือจิตจิตคือความคิด ความสุขความทุกข์จิตจิตคือความสุขความทุกข์มันจะปนกันแบบนั้นเจอ่า่นไม่สามารถแยกกันเราได้แต่ถ้าเมืไรที่เรามีสติเรนแยกออกมาเราคิดมันก็ดับไฟเลยนะเมื่อเรารู้ทันใจอีส่วนหนึ่งเราคิดอีกส่วนหนึ่งจิตไม่เป็นอะไรกับอะไรเรนี่ยเราฝึกแบบนี้ยเรารู้สึกโดยวัยเด็กค่อยอแยกแยกแยกแยกจนถ้ามันชัดเจนว่าสามส่วนนี้ มัน อ, อยู่สังหารกันอยู่แล้วเห็นไหมรู้สึกไหมตัวไหนที่ไรีว่าเป็นความเป็นป ก, กติคืออะไรความเป็นป ก, กติคือตรงไหนนะอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นนะไม่ได้เอาถึงที่สุดนะะเอาพอเท่อที่เข้าใจก่อนนะที่มันป ก, กติมันคืออะไรหา จิตที่ไม่คิดนะความเป็นปกติก็คือก็ถูกนะก็ถูถกแต่จริงความคิดอย่างที่ตาส่วนนะจิต ค, ความคิดแล้วก็กายใชความคิดเป็นมายาใช่ความคิดเป็นมายาไอนะความเป็นาาปกติคืออะไรจิตเนาะ นัจิตมันเป็นปกติธรรมดาพอคิดก็เข้ามาเคื่อข่าวไอ้กายนี่ก็เป็นเรื่องที่แยกต่างหากเลยเด่นแยกต่างหากกันเลยแต่บางทีมันสัมพันธ์กันเช่นกายเวลากายไม่สบายแล้วก็ทําให้ความคิดมันกองบลเพราะว่ากายไม่สบายความคิดจะเลยมาครอบมนมันทำให้จิตมันไม่สบายตามไปเรื่ยมันสัมพันธ์กันแนะเราฟังก เราไม่มีสติรู้ทันนะเราจะไม่เราจะไม่สามารแยกได้เอ้ยนีน่เนรื่องของใครที่เฉยนะแต่พอเราไม่รู้เข้าทันความคิดที่ปงแต่งกลายเป็นความทุกข์ใจแต่พอเรารู้ทันเราจะเห็นว่า้กายมีสบายความคิดพอมาจะเข้ามาเข้ามามันก็ละไปจิตก็เป็นปกติธรรมดาที่จริงจิตมันเป็นปกติธรรมดาไปแล้วนะแต่เปลี่ยนว่าความคิดที่เดนะ่นมาเข้ามาชั่วคราวอันนี้คือปัญญาขั้นต้นนะ แต่บาอาจารย์ท่านก็บอกว่าที่จริงไม่แต่จิตโเนื้อแท้ของมันทีจริงมันก็อยากเป็นทุกข์อยู่มันก็ยังไม่ใช่ความเปนปกตินะควเป็นปกติมันมันก็ยังไม่ใช่จิตแต่นี่เมื่อตอนเราให้เข้าใจว่าที่จริงความเป็นปกติมันก็มีอย่างนั้นอยู่เปต่อเมื่อต่แรกเราเห็นเราเห็นว่าความคิดมันคือตัวนำมาที่ความทุกแต่จริงเมื่ออะไรที่เรา ให้เป็นทิจิตอยากให้มันดีตลอดไปเพมื่อนั้นก็ทํามาเพื่อความทุกข์ที่เดียวกันหาแต่ค่อยๆตังเกตื่นไปเอาง่ายๆนะเริ่มต้นให้แยกตามส่วนนี้มันชัดก่อนเหมือนกันนะเหมือนที่อาจารย์วรพชวน์พูดอาจารย์คนพูดนะหรือครูบาอาจารย์พูดไหนพูดเหมือนกันเราเปลี่ยนฐานมาดูขอบฐานที่ไม่ต้องมาใสเรื่องของฐานคิดมากก่อนก็คือเปลี่ยนมาดูขอบานฐานเพิ่มไว้ ฐานอารมณ์ใจอารมณ์สักก่อนนึพอมันพอจิตมันคิดไปนอกฐานตรงนี้ก็เห็นเลยว่าอ๋ออันนี้แหลความภูมิใงเกิดขึ้นชั่วคราวนะความภูมิใจเกิดขึ้นชั่วคราวมันไม่ของจริงเป็นหนังที่ฉายมาช่วงคราวแต่มันไม่ใช่ฉากหลานหนังที่ฉายมาชั่วคราวเท่านั้นพอเรารู้ท่าทาเหมือนปิดสวิตช์นังชั่วคราวแต่เราก็มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเข้ามาแทรกทันทีเพราะเรา มันมีความหลงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาซึ่งถ้าเรามีได้เข้าใจแล้วก็พูดแบบนี้เรื่อยเมื่อรู้สึกตัวมันก็จะออกปความคิดออกเป็นความหลงได้ชัว่วคาวฝึกให้แยกตรงนี้เรากลับมาอยู่ฐานการกลับอยู่ฐานการอยู่ไปๆแต่ต้องเล่าเไม่ทําแบบเรียกว่าให้มันอยู่ตลอดไปเพราะว่าเมื่อนั้นจะ ก, การเป็นการเพ่ง ก, การจอ้องหรือการใช้การจดจ่อแบบแบาบงทีก็ได้แค่ สมสาทานหรือ แ, และสมาธิเฉยๆังนั้นการมาอยู่ฐานาจก็คือแค่รู้ว่ากายมันทำอะไรแต่ไม่ใช่ว่าต้องบังคับให้จิตมันอยู่กับกายต ล, ลอดอันั้นก็ไม่ใช่นะแต่บริกรรมหรือทำอะไรก็เหมือนกันก็ไม่ใช่เพื่อกําหนดให้จิตมาอยู่กับแค่ตรงนี้แต่ให้มันรู้ตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ป่อยรู้ทันแต่ที่มันไม่รู้ตรงนี้แหละวิธีทานเ น, ะนาะการทานไม่ยากนะแต่ต้องมาใส่อย่างที่ว่า ต้องเกิดเป็นมงเพตอ่ามันไม่ใช่ใช่การพูดคุยกับคนนี้เอาเข้าใจแล้วคิดแล้วอ่ารู้เรื่องละอ่าแต่พวกเนี้หมายถือว่าหลายคนเขคงก่านสื่อมันเยอะนะฟังปีดีตัวอาจารย์มามากดูสือ่อส ม, มาร์ทเขาคงเยอะเขาเกิดคุยกันเข้าใจในระดับของความคิดในระดับปัญญาก็ยังดีนะถ้าเราไม่มีฐานตรงนี้ไม่ก่อน การที่จะเห็นความจริงในใจแล้วรู้ความจริงอนนี้ก็เป็นไปได้ยากเหมือนกั น, น, นต้องใส่กใจในฟังในคานาเป็นส่วนประกอบไ ว, ว้แล้วก็เดี๋ยวพอเราปฏิบัติก็มันจะค่อยๆทดลองให้ถูกทางมากขึ้อนอจิตมันยังไม่เชื่อเรา <c oughs> ตอนนี้สมองมันจะเชื่อเชื่อผู้พูดนี้นะ่ะเชื่อเชื่อเพราะว่ามันคิดตามหลักเหตุผลแล้วดูข้าท่ามันเชื่อแบบนี้นะ จริงจิตมันยังไม่เชื่บนะลองดูลองสังเกตดูเมื่อไรที่เรารู้ว่าไม่เชื่อแล้วคือตอนนั้นเราแสดงล้วว่ากานตุกมันโดไปเดี๋ยวใคมาพูดคยกันตอนท้ายจริงจริงเเนาะตอนนี้ก็ให้วเราเท็ัดเปลี่ยนเรียนออกจกบ้านไปเดินกันบ้านนักหน้างานจะตอแกไหมปวดหลังไหมปวดเต้นอารถตุกไหมเดินเดินแลมันก็พัช่วย เวลาเจ็บก็ใจเราเป็นไงเจ็บตามไปเรื่อยมือบรงาก็เป็นบางท่าไม่เป็นทำอะไรตีออกมาแต่ฟัวแล้วหลังมันเจ็บมัเจ็บทำไมใจเราเดือไม่เจ็บต้องไปไหน บอกเคล็ดลับให้คนอื่นด้่ยถ้าถ right. so the right? ้าเราไม่คือแม้เวลาถ้าเราไม่สนใจมันเท่าไรเราสนใจการตื่นไวย่างอื่นมันไม่เก็บใช่ไหม ตลกใช่ไหมตเตกที่สเลยหนูตาเด็้ยังไงรู้เป็นไตลกไมตลกตอนนั้นงนี่มันวา มไหมที่จับไนบ้านนีน ยากนะเป็นอาการเรียนรอบของสองอิทยาสตร์ิยศาสตร์ีิทยศาสตร์สมันลูกสุโขทัยโรดเน่ะก็คือวสีปฏิบัตาร์ก็ปฏิบัตาร์มันเป็นอาการที่เรียกว่าในการ ไปใช้เอ่ uh เรื่องสมุไทยนี้ด้วยเรื่องของฮาร์ดคืมันมีลําดับขั้นตอนของมันแตกต่างกันไปมันก็เลยมันก็เป็นปัญญาที่ทำให้เราเข้าใจเรื่สตตีทั้งสี่ตัวที่มันที่มันคล้ายๆค่อยๆลาดับกันนําเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเรารู้พบทั้งอ่าติดสองขั้นนะมันก็เรียกว่าจบครบตัวเรียว่าไม่สมัยในเรื่องเรใ่องสตตีแล้ว แต่ในการรู้เริอมต้นอาจจะรู้แค่รอบเดียวรู้รอบเดียวรู้เสียอาการมันก็ยังมีความเข้าใจในห่งส่วนไม่เข้าใจอีกสามสี่สองส่วนประมาณมันเป็นระดับปัญญาที่มาแตกต่างกันไปเราจะมาอธิบายถูกหรือเปล่าเราไปตักสุภาษิตอื่นบ้าก็ได้นะในเด็กแต่เป็นที่ความเข้าใจของตัวเองประมาณนี้นะอย่าไปเชื่อมาก แต่ลองทำดูลองาำดูเพราะว่าไม่เคยทีนี้ก็ไม่เคยเคยคิดสงสัยแต่ไม่เคยคิดถามใครไม่เคยไปหาคำตอบจากการอ่านก็อันนี้ก็ค่อยๆเติมใจแต่การปฏิบัติเองแต่อาจจะไม่ผูกแต่ปริยัติทุกอย่างก็ไม่รู้แต่เพราะว่าไม่เคยถามใครไม่เคยอ่าไปดูตำราว่าเขาว่าอย่างไร แต่ต่มาก็้าใจเอว่าคงเป็นคําศัมพงปัญญาที่มันเป็นสซาูชันจริงเพราะว่าอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ไปใคมันก็เกิดขึ้นเพื่อให้เราที่ไปใครรู้ให้มันคบทั้งหมดแหลแต่เรื่องตัวเองรู้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรมันก็มีลําดับระดับมันไป ที่หลางเข so, From, ้นแมรู้ใ้ตัวรู้สึกะรู้สึกวเป็นจเป็นประารแค้ตัรู้สึกแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าจะต้องแยกให้มันแบบตุนลงกอตุนวังกอบางทีมันยงไม่หแบบนั้นพรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นอเ่ยไม่ต้องไปสนใจตำเรมากไปรู้ไปอย่างที่มันกล่านได้ในตอนนั้น บังคามนเผอมันดึงไปมันก็กลับมารวมกันใหม่ร่างกายใจทั้งความคิดทุกเรื่องไกลมันรื่งเกี่ยวกันไปเลย ม่วงอะถือว่าเป็นฝ่นยนะายปู้ส่วนสมาธิอจะถือว่าเป็นฝ่ายผูนะ้ส่วแต่ทีมันคิกไม่เกี่ยวนะหน้ามือกับหลังมือมันใกล้กันขาต่อกันใกล้กัตัวม่วงนะมะหมาบถึงหมอกนะเมหมอที่มันมัวมัวตัวสว่างนะเคลียไปหมดเล ย, ยาาเก็สังเกตเลยในความมัวในความม่ว ง, งมันมีความ ทีไม่เป็นอะไรอยู่ในนั้นดีนะมันมีความไม่ง่วอย่ในนั้นเดี๋ยวต้อสังเกตดีนะไอตัวที่รู้อ่ะไอตัวที่รู้ก็มน่วงอนนั้นตัวนั้นมน่วไหมต้องสังเกตดูนะเวลาที่เราง่วงนะเวลาที่ปฏิบัติเรามั่วต้องสังเกตไอตัวที่รู้ว่ามันมั่วไงตัวนั้นมันม่วไหมอะไรนะ ความคิดคือเหมือนกันใชหพอเราคิดมากๆคิดฟุ่งซ่านหรืออารมณอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ตัวที่รู้มันคิดตัวที่รู้ว่ามันโกรธตัวนั้นมันโกรธมันฟุ้งซ่านไหมไหวใช่ไห ม, มแน่นในในสภาวะทุกอาการก็มีสภาวะอาการที่ไม่เป็ น, นกับอาการแต่นั้นมันมีอยู่ถ้าเราจาับตรงนี้ได้นะ อาจจะเป็นไรก็แล้วกลับมาหาตัวที่กับมาหากมาหาตัวนี้กลับการกลับมาหาตัวนี้นะไม่ใช่การที่เป็ตั้งใจทำไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็คงสภาวะตรงนั้นไวแค่รู้ทันกลับมาของมันเองนะแต่อาจจะเกิดไฟก็กลับมาใหม่หรืออีกที่ง่ายก็อย่างอย่างที่ว่าการสเกตพอเรากลับมารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวไอสภาวะมันก็เกิดไปกายพอรู้กายเคลื่อนไหว ถ้าภาวะปกติก็กลับมาปเองไม่ต้องไปยาให้ม so er. ันหายไม่ต้องไปยาให้มันเป็นปกติแต่พอมันกลับมาดูการเคลื่อนไหวจิตเป็นปกติของเองแต่ขั้นจะรู้แต่ทายที่เคื่อนไหวโดยไม่กลับมาเห็นจิตไม่เห็นความคิดปัญญาที่ยังไม่เกิดปัญญาที่ยังไมเกิดมันได้เพียงแค่ว่าทำให้จิตมันท้าม้านทำไม่จิตมันฟุ้งซ่านทำให้จิตไม่เรยว่า ไม่แสงไปอยู่ที่อื่แต่ต่อเมื่อเราเห็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นของของจิตของความคิดเมื่อนันปัญญาจะเจอมันพอเนเริ่มนะตอเนเริ่มมีสติเห็นจิตเห็นความคิดแล้วก็เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังมโนตาทั้งของกายของจิตก็จนะได้ท่องปัญญาเจดชัดเจตขึ้น ดูแบบนี้ไปเราดูการเคลื่อนไหวไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กับการเค้ื่อนไหวตลอดไปลาแต่ให้รู้แบบเป็นฐานไม่ใช่ใชแช่ดู ตอนที่รู้มันิดมันรู้แบบแบบไหนเราเปลีนทางต่อรู้ก็เหมือนกัว่าเราไปงานเราก็แล้เราว่าใจเราเลิไปอยู่ที่คามดขัดขวางมันตามตัวเองเนาะการรู้ความคิดไม่ได้ตั้งใจ อย่างใงในตัวนนสิคือในตัวผู้พิจเรณาตอนที่เขาจับในการตั้งใจดูว่าจะคิดกี่ครั้งในแต่ขณะนั้นจะเป็นความตั้งใจแบบตั้งใจดูมากเกินไัเนี่ยมันติดธรรชาตินะไปตั้งใจตูวนั้นเน่ตอนที่ตั้งใจดูแล้วนิตสกิดธรรมชาติอ่ะมันไปใช้ไป้ายเป็นสำขาดเลยเมื่อไหร่ผมจะคิดเนึ่ยมันจะอันจะรู้ทันมน การที่เราดูผ่านผ่านการเคลื่อนไหวมันขณะที่มันยังไม่คิดเรารู้การเคลื่อนไหวไปความคิดมันก็จะเร็วกว่าอ่านคมกว่าได้ครับอันนี้ยถ้าเราดู้แบบนี้นั้นมันก็การที่มีธํามทานเพื่อเตือนเชื่อตรงนี้ได้การเข้าดูความคิดโดยตรงเป็นเรื่องที่ไม่ไใจไม่ได้จริงจริงคุณทำคุณทําผ่านฐานหรือสรมทานตัวเด่น หรืแม้แต่บางที่ที่เาสอนในทางการดูจิตก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเฝ้าดูจิตแบบแบบไม่รู้สึกกายหรือไม่รู้สึกกับการงานอยู่ไม่ใช่แบบนั้นมันบังคับไม่ได้ที่จดูจิตใจดูด้วยความคิดคนเดียวก็บังคับไม่ได้ก็ต้องดูแบบไม่ได้เฝ้าเจ้าไม่ใช่ดูแบบแมวจับอยู่ปากดูอของโงูเหมือนนะหนูไม่มีเกิดหนูจะไหนออกมาแบบะ คือจะมียาหารูจะปลอมตลอดอีกเลย น, นะอืมมันดูแบบนั้นดูไม่ได้แต่เราจะต้องรู้เพื่อนใีการคิดนะเออบางทีความคิดมันมันไม่ทาโผลารืไ อ, อ้ที่เห็นจรงๆอาจจยังไม่ใช่การเห็นของจริงนะครับนันูู่ง น, นี้แหละอูแต่บสบายส บ, บาย ใ, ให้ตั้งใจนะแต่ความเจิบขึ้นเราต้องรู้ทัน อย่างที่ว่าพอตัดคิดโผล่ขึ้นมาแล้วไปรู้ความสุขเกิดขึ้นแล้วไปรู้ความทุกข์เกิดขึ้นแลไปรู้ดูแบบไม่ใช่ไปเฝ้าดูแต่ความเฉยที่เราไปรู้ค่ะไม่ใช่ไปตั้งใจดูค่ะก็คล้ายๆก็ตั้งแต่ได้ใช่ สังเกตมอย่างเร่เราเสด็จหมดตอนตอนเช้าเสด็มดใจเรือีผลลัพธ์เสดตลอดไหมแล้วพอเราเสด็จหมแล้วพอรู้ว่าใจไม่อยู่ปัพสมอันนันะคือรู้ไอ้ที่รู้ว่าตัวเองหลงไปนั่นก็คือความรู้สึตัวนะเข้าใจไไม่ใช่แค่แค่รู้ว่าเราเส้นไหเราเดือดหี้เราทำอะไรอันนั้นก็รู้สู ให้ที่รู้ว่ากำลังหลุไปนั่นก็คือความรู้สำคัญเข้าใจไหมอันนั้นอันนั้นอยาไปเฝ้าดูเฝ้าดูแต่เถือแต่ทำาเลยทักอย่างหนึงไว้แล้วงเถือไปคลอยรู้เกดมนก็ได้เกิดมลไปเช้าเย็นแล้วก็พอเถือไปําคนถ้าโมสามจบจบหนึ่งมันเรียกว่าตั้งใจอย่างจบสองบสามมันไม่คปอยขึ้นใจละใจเถือท่ไปยิ่งถ้า อยู่วัด น, นานๆนะเกิดมันค่องมากอืมจะเผลอจะไหยมากเลยนะค่องตากังเกตม่้ดี๋ยวเราทานข้าวนะ่ะเผลอไหวมากเลยนะทานข้าวเนี่ยเผลไปคิดนะตาลพัดคือดูแบบนี้คือจิตรู้ว่ามันคิดเมื่อไรหรือรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรเป็นอารมณ์อารมณ์เช่นบางทีเราแค่ตั้งใจแต่พอ มีคนมาตำนมีคนมาว่าหรือไปเห็นอะไรที่ไม่ถูกใจเกิดความรู้สึกหมกหีเกิดความรู้สึกโกรธเกิดข so ึ้นน่ะปราเว่าอ๋อจิตมันหมกันโกรธนันแหละเราู้จิตแต่จริงมันยังไม่ใการดูจิตของมันเป็นเแค่ดูอาการที่เกิดขึ้นกับจิตเหมือนนะสมมติจิเป็นไอเดียนั่นอไอเี้โดยหนังที่มันฉายขึ้นมามันเปลี่ยนเรื่องฉาย เรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างเรื่องระดีบ้างเรือน้ำพุบ้างเรื่องที่เห็นในปัจจุบันบ้างมันเกลี่ยนเราดูอาการตอนแรกมนยังไม่เห็นจิตแท้ทีหลังเราก็ดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตรงนั้นมันโกรธมันโกรธมันรู้มันปลอยใจมันเล่อกใจก็ถูกตรงนั้นนี้ ถ้าเรามีถ้าเามีสติรเรจเห็นได้ ว, ว่าเราจะไม่เห็นเพียงแค่ไอ้ไอหนังที่มันใช้หรือว่ไม่ได้เห็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตร้าสติมันมันตั้งมันมันจะมันจะรู้เลยว่าไอ้อกิเลสที่มันจอดเข้ามาจะไปจิตเดิมแท้ที่ประทาดสอนมันก็อยู่คนละส่วนกัน ม, มันจะรู้สึกได้ไได อ, าอาจจะเป็นตัวาตาแยกแบบ เป็นภาพแยกกันนะแต่มันที่สุดเลยว่าไอ้กิเดสที่มันเกิดขึ้นไอ้ความโกรธเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้จิดที่แท้จริงมันเกิดขึ้นชั่วคราวมันรู้ว่าไอ้ความไม่โกรธมันก็มีนั้นอยู่มังเห็นแบนั้นเลยที่จริงมันก็เกิดเดีกันพอเรารู้ว่าเราโกรธแล้วมันก็พีดเป็นไม่โกรธแต่จริันนั้นคือเราจะเห็นจิตประทัดสอนก็คือจิตแบนั้นแหละจิตที่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าอะไร พอจะเหว่าไอ้ตัวนั้นเกิดขึ้นแล้วไอ้ตัวที่มันเกิดซึ่งเครื่องมันดับไปสันทีเลยมันก็จะเห็นอ๋อเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นตีนที่มันเกิดต่อเนื่องกันแต่จริงไอ้ตัวเนื้อแท้ข้างในที่มันไม่ฟุ้งไม่เป็นอะไรมันมีอยู่เหตุว่าไอ้ตัวนั้นมันมาใส่ข้อมูลเครื่องทายเฉเหมือนเนี้ยไมโครโฟนก็มีแบบนี้เนาะสร้างอัลมา ทำมือปิดไมโครโฟนอย่างนี้นเราต้อไม่เห็นเนาะมันครอบไว้ครอบไว้ไม่มีเสียงพี่เดชมาครอบกีบเอาไว้เพอให้ไม่มีเสียงไม่มีสระสิทธิภาพพอรารู้ทันแล้วก็ออกมาใจ ไ, ได้เหมือนปกติแล้วก็มาครอบเครืองท้าวนะพอรู้ทันแล้วก็ออกไปแต่ที่จริงหลางพ่อเพชรตัง้งเน้นว่าให้ดูแบบ น, นี้ ดูกายมันจะเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมมันเป็นลําดับนะดูกายก่อนพอเห็นกายแล้วตอนนี้ได้ลำดับต่อไปก็จะเห็นจิตแล้วต่อไปก็จะเห็นธรรมะแต่จิตไม่ใช่เป็นขั้นตอนอะไรนี่หรอกแต่ถ้าเราดูกายได้ด้วยว่ามีมีกายเป็นฐานเราก็จะก็เห็นจิตกับมันเองโดยไม่ต้องไปตั้งใจดูจิตนะการที่พอเราไปเห็นฐานของจิตมันก็เห็นความคิด เห็นการปูนแต่ตงหือความคิดึ้นการปูนแต่งออกไปจากจิตได้มันเป็นสภาวะที่มันเกินนเดพลังเานแล้วก็บางสภาวะมันก็เลือกไม่ได้แหละบางครั้งสติลบมันเคลื่อนไหวเราจะเดิ น, เ น, จเดนจงกรมแต่สติมันไม่ค่อยอยากจะรู้กับการเคลื่อนไหวตัน้นเอมันไปเน้นดูความคิดคือจิตใจก็มีนะบางภาวะขนาแล้วก็ปีกอะไรแบบนั้นก็มีเราเลือกไม่ได้ แต่สติมันจะไม่ไปรู้นอกตัวหรอกนะรู้ในใจตัวใจในี่แหละสออย่างไม่ได้เห็นใครนอกรู้สึกใครนอกได้ก็จะกลับมารู้ที่ตัวเองด้วยไม่ได้เห็นว่ากงมือเขาทาอะไรเห็นนั่นเห็นนี่แต่ทำกันเองรู้สึกอย่างไรนั่นคือสติที่ที่อยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมมันเป็นเรียกว่าสติที่เคลื่อนกัน เห็นมั้ม ย, ยปฏิบัติแล้วก็เราก็เริ่มต้นจัด ก, การการปฏิบัติของเราก็จะมีเป้าหมายที่ความไม่ทูกนะเป้าหมายควนะามไม่คือเราตรงนี้ขอให้เราประชาชนคือลงปู่มั่นนะจะพูดบอกว่าเราสามารถปฏิบัติทําได้แต่เฉพาะตอน่มีชีวิตเท่านั้นใช่ไหม ท่านกรต้องตรงนะแต่เราก็ไม่ได้คิดนะใช่หมขาดกาประกันบุ้งอยู่นั่นแหละใช่หมอย่างนั้นอะไรอเงี้ยเราท่านก็บอกอย่างเนี้ยเราจะสามารถปิบาคทกานได้ก็ต่อเมื่อเรามีชีวิตทนั้นเองและก็สิ่งที่สคัญก็ถลงมาแ่พูดอีกอย่างหนึงนะพูดให้าฟังเสียหป่แก็บอกว่าเรา้อดาตายแล้วยางนามตัดได้มไ่ได้ ไม่รู้เลยนะใช่ไหมอย่างเราคบเพื่อนเราจะรู้ในคูกที่สาโมงห้ามเจอกันใช่ไ้ยฮะอย่างนั้นอ่ะงนัแต่คอมตายความรักไม่เลยนะใช่ไหมฮะจะมาเท่าไหร่ทา่ผ่้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี้คือตรงนี้ว่าเนียเราก็จะมองเห็นนะเออใช่ไหมฮะว่าเนี่ยเราเองเราเราจะทักผูกกากับการีชีทางวิถึหลักใช่ไหมฮะดังน้นเรื่องตรงนี้ว่าเ็นเป็นเรื่อง เรื่องที่หลวงปู่มานก็บอกว่าชีวิตก็เกิดยากเกิดยากนียไม่พอยังดำรงชีวิตมีชีวิตอยู่ก็ยังยากอีกเลยนะแล้วก็บอกว่าชีวิตที่จะได้เจอมีโอกาสแบบว่าเจอพระธรรมของพระอาจารย์ก็ไม่ใช่ง่ายอีกไม่ใช่เพื่อนเอาหลายคนนะชวนเข้าวัดนี่หูคนหลบมากเลย ก็แสดงว่านนคือตรงนี้นะครับว่าเนไอ้ความยากๆอย่างเงี้ยเมกเรามีโอกาสเจอกันใช่ไหมฮะเราเองใช่มเอ๊เราจะยังไงเคือเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่อกว่าในในขณะที่เราเราเดินทางบนเส้นนี้เน่ยเนอนี้ก็คือทางเส้นนี้จะพาให้เราไปถึงความที่พุนั้นใช่ไหมฮะนี้ทางตรงนี้เราจะยังไงใช่ไหมฮะ อย่างคุณมรัสสิงป์ใชไมครับเป็นพิธีกรแล้วก็จะมองเห็นนะคุณมนัสิลป์เพยายามทําความเข้าใจจากการฟังนะอออออเช่นนี้ครับอ๋ออ๋ออ๋อจะในฐานะคุณมรัสสิงห์ก็จะไปหาคําตอบนะครับใช้คำถามหาคำตองเขาเข้าใจออกเข้าใจแต่คนที่ตอบให้เนี่ยคือคนที่ลงมือแล้วตรงไปนัดเองคุณมรัสสิงห์ยังไม่ลงมือนะแต่อออออช่นน้ครับเราเป็นอย่างนั้นกันไหมใเนี้ย ถ้าจะนึกๆตัวเนี้ยว่าคือพอเราลงเรียนทำนี้รตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเกก็จะบอกนะบอกว่าอุปกรณกอเนี่ยติดตัวเราอยู่ว่มีการมีใจมีสติไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะใช่ไหมครับว่อเกษเมือก่อนนี้ยจะสรุปง่ายๆคำหงอกษบอกว่าไม่ทั้งชีวิตไม่ห้อยไป่แกวไม่ที่ไหนกับว่าไม่ห้อยไม่แกวไม่ที่ไหนแตถึงว่า ไม่ต้องมาชีวิตไปฝากไม่กับรถคันหนึ่งไม่ต้องมาชีวิตไปฝากเม่กับเสื้อตัวหนึ่งเลยน ะ, ะแต่ก็คือชีวิตของเราเนี่ยก็คือมีการวิีใจมีสติฝากทิกษัตริย์อย่างนี้นะแล้วเราก็เอาสามอย่างนี้นะมาผ่านให้ชีวิตเราเนี่ยไม่พุ่งถ้าทีไงเราถึงจะไม่พุ่ก็คือตรงที่ว่าเราให้ค่อยรู้ความจริงของชีวิตเข้าใจไหมนะอย่างสมมติหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ย ทุกวันนี้เนี่ยเราก็คือหลงเป็นภูกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่น่าเป็นไม่น่าเกิดถูกไหมฮะถึงนั้นแต่จริงๆแล้วความจริงของชีวิตก็คือมีใครบ้างในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่มีจะเรียกอันนั้นไม่มีไม่ใช่นั่นคือคือความจริงของชีวิตทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมฮะถึงนั้นเลจะหลงไหมใช่ไหมฮะทุกคนก็มีความหลงนะใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าหลงแลเป็นภูอันนั้นจะเรียกว่านั่นคือเป็นธรรมดา แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนก็คือใช่ไหมครับใช่ไหมครัอันนี้เรารู้แล้วเรามาหลงใช่ไหมครัถ้าเรารู้ว่าเราทำผิดเนี่ยตรงนี้เราควแก้ให้ถูกได้แล้วถูกไหมครับก็ไ้ไม่ใชราะฉะนั้นคือตรงนี้ที่บอกว่าหลงกับรูเนี่ยมันอยู่ตรงเดียวกันมันหลงว่าหลงหลงไปทุบใช่ไหมครับหลงไปทุกซั่นเราไม่ได้แก้ให้ผิดเไม่ได้แก้ผิดให้เป็นถูกแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าอ๋อบางที่ที่ผิดทําต่อไปเราก็ไม่ผิดมันไม่ใช่เรื่องตื่นตัตรงเนี้ยนะว่าการหลงกับการรู้เนี่ย ก็คือคลิปจัดการที่เราไปจงทุกจงสุดใช่ไหมฮะเนี่ไปดีใจเสียใจแต่ในห้องนี้รู้ว่านี่คือถูหน้าเป็อย่างนี้รู้ว่าที่ผิดน่นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนงี้ยนั่นก็ตรงนี้คก็เป็นสิ่งที่เหมือกับมันก็จะมีเกิดขึ้นมาจากการที่นําเนี่ยค่อยๆหาข้อมูลในตัวเราหาข้อมูลจัดการที่เราดูการอย่างเนี้ยเมื่อกี้จะนกถามใช่ไหมฮะว่าเป็นยังไงน่ามานานไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะตรง ก็นั mà, ่งทีไหลก็เมื่อยถีนั่งทีไหลก็เมื่อยถีจะมีการนั่งทีไลก็เมื่อยถีอย่างเงี้ยเอ้านี่เป็นอะไรล่ะใช่อไหมฮะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการที่น้าเแล้ก็ต้องเมื่อยแต่จะนองเร็วกันอย่างเงี้ยเช่อไหมฮะเราคอยดูอาการอ่เงี้ยเราไปยดูอาการลุกๆนั่งๆของเราเนี่ยเอาเราบอกว่าเราเมื่อยเช่อไหมฮะเราก็รู้แต่อที่เราลุกโดยไม่เลี่ยนดีไหอย่างเงี้ยก็มีอไม่ใช่เลี่ยดีแล้วมันเกิดขึ้นยังไงใช่อไหมฮะ วิธีการก็เราต้องเปลี่ยนใช่ไหมครัการทํางการเพื่อให้การไม่ทุกอย่างเนี้ยแต่ดิตอนหนึ่งใจมันทุกข์นทนไม่าด้ใช่ไหมครัมันก็ต้องใช้การเหมือนกันอย่างเนี้ยก็ปรากฏว่าอ๋อที่การนี้มันก็ต้องเรารับทุกของตัวเองทุกของการก็จะต้องรรารับทุกของใจหยีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไมครับสิ่งนั้นอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่เราทํามาในสัปดาห์ัปดา เมื่อก่อเราทำซ้ำไปก็เบื่อไปซัำไปก็เบื่อไปเมือๆยอย า, ากหยาบไปอยากหยาบใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มกลับมาดูก็เลยมาเริ่มตั้งตัวใหม่กับมาดูความจริงที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทบกวันน่าเราทุกวันทุกวันทุกวันตรงเนี้นเราเรียนว่าเราจะไม่ค่อยมีปัญญามากขึ้นเห็นความจริงของชีวิตใช่ไหมฮะที่ท้ายที่สุดในความจริงของชีวิตพุทธเจก็บอกเราด้วยว่าอือใช่ไหมฮะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนัะใช่ไ้มฮะ่างนั้นเท่านี응้ ใช่ไหมคเอ็นอันนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยไม่มีนะใจเราเนี่ยไม่มีนัะใช่ไ้มมันไม่มีตัวไม่มีตัวนะมันเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยใช่ไหมร่างกายเราเป็นพวกใจพวกมันเป็นอย่างนั้นไหมซึ่งซึ่งตรงนี้ฮะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการที่เราเนี่ยพอเราทําซ้ําๆซ้ําๆซ้ํำ ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนีเราไม่เคยตั้งใจอยู่เพราะว่าเราเอาจใจของเราเนี่ยไปใช้กับความคิดทั้งหมดใช่ไหมฮะไปใช้กับนอกสิ่งสนใจสิ่งเล่ตัวทั้งหมดเรามีความรู้เรองอื่นที่แย่ไปหมเลยแต่ความรู้เรื่องอื่นนะมันจะเป็นความรู้ที่เหมือนกับว่ามีผลตอบแทนใช่ไหมฮะให้กับเราอย่างนั้นเราอยากรู้อยากเห็นกันมาเราก็พยายามที่จะรู้จะเห็นแล้วก็ได้อยู่นะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือได้า ตามใจอยากได้ตาใจอยากนั่นคือตรงนี้ว่าสิ่งที่เป็นผลจากการได้ตามใจอย า, า, ากตลอดมาเนี่ยคืออะไรเนี่ยก็คือเป็นคนที่เอาใจใจตัวเอ ง, เองเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่านั่นคืออยากได้อะไรก็รไปหามาอยาได้ไปหามาพอเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองมันมีสเรืกก่องว่ายังไงนะคนใจดีนะครับเป็นอย่างไงคนจิตใจดีมั้ยคนจิตใจไม่ดีนะใช่ไหมครับเนื้อ คนที่เอาเใจจ้างตัวเองเป็นคนจิตใจไม่ดีแต่ทํายังไงเราเป็นคนจิตใจดีก็คนที่จิตใจไม่ ด, น ด, มดีนั่นก็คืออะไรเราก็ฝึกตัวเอ ง, เอเองใช่ไหมฮะอยากได้อะไรก็ทาอยากได้ไหมกหท็ทำอย่างนี้ถ้าเราก็ทําทำาย่างเดยที่เราไม่คิดเลยนะฮะก็นี่คือการฝึกให้ตัวเราเองนะเป็นคนจิตใจแบบไหมหรือจิตใจแบบไหนคือจิตใจชอบที่จะไปหาทุกข์ให้ทัานคนสัตย์นั้นะใช่ไหมฮน <c ười> ใช่ไหมคคือจิตใจมันก็จะแสบไปหาพวกอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเคยชินใช่ไหมแล้วพอความทุกขขึ้นมาก็มาสร้างเสียใจใช่ไหมครหรือไปนังสุขมาก็มองหัวเราท้องข่ายมีชาวบ้านคนหนึงเข้าก็มองหลานฮะหลานก็อยูส1บห้าสบหอกว่าเอ๊ะช่วยดีนะแบบว่าหลานยังไม่รู้แบบว่า จะต้องเปลือยหรือเปล่าถ้าคุณให้งานก็บ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยโทรศัพท์ถึงเพื่อนก็คือนะเดี๋ยวโทรศัพท์ถึงคนนี้ก็ร้องเดี๋ยวโทรศัพท์ถึงอีกคนก็ร้องห้าดีๆนะใช่ไหมอย่างเงี้ยนะเนีแล้วบอกว่าเนี่เนี่ยช่วยดูดีเสิบ้าเนี่ยช่วยช่วยดีว่าเป็นยังไงอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะเราเนี่ยเวลาเราดูทีวีดูละครอย่างเนี้ยใช่ไหมฮะเวลาที่ถูกใจก็ตกมือเวลาที่เสียใจก็ร้องห้า ถ้าเกิดมีคนมองเราแบบนั้นนะน่าจะบอกเราหอกว่าเอ๊เราท่กเกิดเหมือนเด็กคนนั้นไม่างเงีนะ้ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเสียจก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะฮลองพิจารณาตัวเองว่าเรายิ้มเพราะใครหรือเราร้องไห้เพราะใครเนี่ยอันนั้นแยกไม่ปกติเลยใช่ไหมฮะถึงเนี้ยซึ่งเราให้บกมันไหมถ้าเราเป็นแัน้นก็คือเรานะี่ยไปหลชอบหลงชั่งใช่ไหมฮะหลงชอบหลงชั่ง เาชอบหนุชันเนี e ่ยี inside, és, ่ก็บอก่าครน้ำเน้าระครน้ำราวจริงๆแล้วมันก็มีเนื้อหาสาระนะที่บอกว่าทำไมถึงได้เกิดเรื่องแบบนั้นทาไมถึงได้เกิดเรื่องแบนันา้ขึ้นก็ได้มามีเนื้อหาใช่ฮะแต่เราก็ไม่ได้ดูเนื้อหาเราก็ใช่ไหฮะไป่งไปสร้าไปสนุนสนานซ่าอะไรอย่างเงี้ยกำังน้นยนก็คือเนี่ยว่าเราก็เห็อนกันว่าเราเนี่ยามาเปลนเป็นหลงเป็นรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยก็คือเราก็ลับมาใช่ไหฮะกลับ ดูว่าใจเราเป็นยังไงดูว่าใจเราเป็นงไงเพราะว่าเราจะรู้ว่าู้ธรรมชาติของกายเราเป็นแบบนี้ธรรมชาติของใจเราเป็นแบบนี้ธรรมชาติของกายเราเป็นแบบนี้ธรรมชาติของใจเราเป็นแบบนี้อยบบ่างนี้ถ้าหากว่าเราดูจนกระทั่งเราชัดเจนว่าเขาต้องเป็ น, น, น อ, ยอย่างนี้แ่ะตรงเนี้ยใช่มครับเราจะเริ่มอยู่เขาได้ไหมไม่ใช่อยู่อย่างอยากดัดแปลง แต่อยู่อย่างเข้าใจและใช้เขได้ถูกต้องเนี่ยเหมือนกับเรามีคนทํางานด้วยกันใช่ไหมฮะทำงานด้วยกันมาสี่ห้าปีรู้นิสัยก็รัลคนนี้นี่ยใช้แบบเนี้ยดีใช่ไหมฮะใช้อีกอย่าไม่ค่อยได้เรื่องใช่ไหมฮะเราเรก็ใช้เขาแล้วเราก็ส่งฝาอย่างเนี้ยผมไม่ฮักางนัฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็เหมือนกันเราอยู่แบบการนี้ใจนี้เราจะเอาการนี้ใช้เนี้ยมันใช้ได้ดีดเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้พาเราไปถึงฝั่งที่ไม่ทุกเนี่ย เราจะใช้กันยังไงก็ตอบมากๆนั่นเองเราค่อยๆทำความเข้าใจรายละเอียดของเราร่างชอบเปลียนตัวที่เนเรื่องเฉพาะของตัวเราใช่ไหมครับอย่างนั้นทุกคนทุกคนเนี่ยร่างชอบเปลี่ยนตัวก็คล้ายกันนะแต่ท้ายสุดแล้วก็ต่างกันอยู่ดีใช่ไหมครับอย่างนั้นก็คื่อที่ยการที่เราศึกษาตัวเราเราก็หนึ่งเรามาเข้าใจตัวเราด้วยเข้าใจกลุอยู่ด้วยไป็นเวลนมาต่างกันการที่เราเข้าใจตัวเรานะครับ ก็มันคือเราแก้ปัญ ห, า, า, นหนาให้ตัวเราได้ในขนาดที่เราแก้ปัญหาให้ตัวเราได้ตัวเราไม่ทุกข์เนี่ยเราก็แก้ปัญหาาให้หนคนอื่นได้ก็อื่นก็หายทุกข์ด้วยกันตรงนี้เป็นทางคิดอันหนึ่งที่น่าสนใจเราเองเราอาจจะมีอาชีพทำงานที่ต่างกันก็ทําให้สังคมมันไปเนาะในโลกในทางโลกก็บุญกันไปแต่ว่าทางเดียวกันเนี่ยสังคมที่บุญไปด้วยความที่แบบว่ามีคนที่ไม่ทุกข์อยู่ในสังคมเนี่ย ก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับแล้วนั่นคือตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้จุดงานแต่ว่านี่คือให้รับเปลียนทิศทการที่จะไปรูอะไรนอกตัวมากมายเนี่ยใช่ันั่นคือใจเราเนี่ยเราสังเกตถ้าเราหันใจไปสนใจเรื่องนอกตัวเช่นอย่างที่บอกว่าตรงนี้เราเป็นสัาีสนใจความคิดเราก็จะลมกับมาที่ตัวนใช่รัสนใจที่ความคิดก็ลืมกลับมาที่ตัวนแต่ตัวน้ำยืนอยันในขณะที่เรากำลังทการทงานอยู่ งานกลางก็เดินไปข้างหน้าแล้วความคิดก็คิดไปเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เราทํำยังไงทํางานไปปืดให้ใจเรากลับมาอยู่เป็นเรื่องแต่ตัวปืดไม่ใจกลับมาอยู่เป็นเรื่องต่งงตัวตรงนี้มันจะเป็นสิ่งเหมือนกับว่าเราเองนี่ยสามารถทํางานประจมมันไปแล้วก็สามารถที่จะทำก็เรียกว่าปฏิบัติทางขนานไปด้วยการที่ศึกษาความจริงของการเราของใจเรา ตนี่ะมันจะเป็นสิ่งที่มันจะทําให้เราเนี่ยนับแบบว่าค่อยๆเข้าใจเรียกว่าค่อยๆเข้าใจธรรมชาติของกายค่อยๆเข้าใจธรรมชาติของใจและตรงนี้เราจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราจะทําให้จิตใจเราเนี่ยดีขึ้นมาเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยไม่เคนแตกเบือนใช่มครัที่บอกว่าจใจจิตที่เรากัดอบเนี่ย่างทีก็จะรู้ตัวว่ามันมีนะความหปลี่ยปกติ ใช่ไหมแต่มันมีความโลภจอมมามีความโศกความเศร้าจอมมามีความสนุกสนานจอมมาซึ่งตรนั้นไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ของจริงถ้าสิ่งที่จอมมาตรงนี้แหละที่ทําให้จิตใจเราเนียกมันไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยหมันดูหมันดูใช่ไหมครัจิตใจเราไม่ไม่ถูกของพวกนะี้แล้วก็เข้ามาสิ่อสูนะ่นานก็าะทำจิตใจเราก็จะไม่ค่อยสะานขึ้นสะอาขึ้นก็คนกลายเป็นคนจิตใจดีอย่างนี้ครับ นั่นนัคือตรงนี้ต่างหากที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนเราสะสมให้ความเป็นคนจิตใจที่ดีเนี่ยอย่างที่เราก็เรียกว่าหลงไฟไม่รู้ตัวเมื่อพอเรารู้ตัวซชอย่างนี้เนี่ยเราเริ่มทำได้ทั้งเม่อไรเนี่ยนี่เริ่มทำได้อย่างเด็กน้อยอย่างเนี้ยใช่ไหมล่ะนั่งรู้จักรู้จักที่จะชารุดจิตของตัวเองก็แต่เล็กแต่น้อยเนี่ยอีกน้อยเขาก็โตขึ้นเป็นคนจิตใจดีเนี่ย มีคนจิตใจดีมี ค, คนคนหนึ่งในสังคมก็ไม่ต้องถามว่าในสังคมไม่เห็นมีคนดีเลยใช่ไหมฮะเป็นอย่างน้อยที่สุดกรัก่ต้นที่หลัง